ทําไมการนั่งสมาธินี้จึงไม่ทําให้เราสงบเท่ากับทุกๆวันครับบางวันก็สงบบางวันก็ไม่สงบบางวันภาวนาได้ดีบางวันก็ภาวนาได้ไม่ดีในขั้นส้นนี้มันเป็นอย่างครับ วันไหลที่อารมณ์เก่าแก่ดั้งเดิมของเรามันเข้ามามากอารมณ์ของใหม่มันก็มามากเกิดกันส้านการและสิ่งแวดล้อมมันทำให้จิตของเรารู้สึกเปลี่ยนแปงอยู่ตลอดเวลาท่าที่เราไม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปง แต่การภาวนาในขั้นตน้นนี้มันก็มีวันทำได้ดีไม่ได้ดีสลับกันไปอยู่อย่างนั้นเพราะอันนี้เรายังไม่เป็นเรายังจับหลักที่แน่นอนไม่ได้การภาวนาของเรายังไม่มากยังไม่ํำนาน เ, เราฝึกฝนทำให้มากทำให้ทำนานจนจิตของเราเป็นสมาธิบ่อยๆเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิบ่อยๆจิตของ เ, เราจะสะสมกำลังเอาไว้เองกำลังอันนั้นมันจะค่อยเขวียงขึ้นทุกทีทุกที สิ่งที่ใจเยาเพิ่งสังเกตได้ว่าเรามีกำลังก็คือความมีสติดีขึ้นมีสติดีขึ้นสมาธิของเราก็ดีขึ้นต่อไปเราอาจจะกำหนดจิตให้เป็นสมาธิเมื่อใดเวลาใดข้อใ้ สำหรับตอนตอนๆ น, นี่มันก็มีวันได้ไม่ได้วันสะดุกไม่สะดวกไปอย่างนี้ก่อนเมื่อเราทำมากๆข่าวิดของเรากล่องข่าดีบางครั้งเราเพื่อตั้งใจจะให้จิตสงบมันก็จะสงบเองเมื่อจิตมันมีความรู้เกิดขึ้นเองแล้ว เราไม่ต้องการให้มันเกิดความรู้มันก็จะเกิดขึ้นต้องมันเองอันนี้ปัญหาที่ว่าทำไมบางวันมันทำได้ดีบางวันทำไม่ได้ดีเพราะเราเรายังขาดาความจำเนี่ยชนาระความจำของเรายังน้อยอยู่ ตอนนาที่จะภาวนาให้ได้ผลดีอย่างจริงจังเนี่ยมันแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องอธิบายสู่คนฟังมากนักมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะทําจริงหรือไม่จริงเราเลดอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นหลักปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจทําจริงแต่ทําให้มากๆ เราจะต้องทำสมาธิอยู่ตลอดทุกิริยาบุตรโดยยืนเดินนั่งนอนกินเดินคำพูดคิดการทำสมาธิก็คือการทำสติเราต้องทำสติอยู่ตลอดเวลา นะเราทำอยู่นี่ <c oughs> อันนี้ก็เป็นวิธีการ การกำหนดจิตพฤิกรรมภาวนาก็เป็นวิธีการการกำหนดจิตทิจารณาอะไรเช่นทิจารณาปกฝกกนนักการหนงังให้จิตมีความรู้ภายในแง่สุภาพธรรมทานคือไม่สวยไม่งาหลาเกียดติโทก ป, ประตับอันนี้เป็นวิธีการ ดลมหายใจเข้าหายใจออกพูดลมเข้าโทรลมออกอันนี้ก็เป็นวิธีการวิธีการเราทําเพื่อให้จิตมันสงบเพราะงั้นเราต้องการจะทําจิตให้สงบต้องทําใหาาบ้บ่อยๆทาบ่อยๆทำด้วยความเชื่อมัน่นในสมรรถภาพของตัวเองว่าเราสามารถทําได้ ท, ท่านสอนให้เชื่อว่าให้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าหมายถึงให้เชื่อวิธีการวิธีการที่จะทำให้จิตสงบแต่ที่แน่ๆก็คือว่าต้องเชื่อตัวเองเชื่อในสมรรถภาพของตัวเองว่าเรามีความสามารถที่จะทำได้ เงินนที่เขาสอนทหารอะไรที่ทหารทำไม่ได้ถหารต้องทําได้ทุกอย่างงานราชัารที่ต้องทําได้ทุกอย่างที่ว่าทหารทําได้ทุกอย่างนั้นคือส่วนหมายความว่าทําได้ตามระเบียบขีในของทหารว่าทําได้ทุกอย่างก็หมายความว่าทําได้ตามระเบียบขีในของสัก สิ่งที่มันเกินเลยไาระเบียบของเราและเป็นสิ่งที่ผิดใกล้ถูกต้องสิ่งนั้นเราทำไม่ได้แต่สิ่งที่ถูกต้องสิงเราทำได้ เนื่อยๆแล้วมันจะหายไปเองจิดฟุ้งรง่างก็คือความคิดมากเิดมันคิดมากเรียกว่าจิตฟุ้งซ่างเมื่อเราทำไปมากๆแล้วเจตมันถ้าไม่หายฟุ้งซ่างมันยังคิดมากอยู่ตามดิดแต่เราจะมีสิ่งสิ่งหนึ่ง ที่จะรู้เท่าทันความคิดของผัวสิตัวนั่นคือสติเมื่อเรามีสติดีสติมีกำลังความคิดที่เราว่ามันคุ้งซานอยู่แต่ก่อนนั้นมันจะกลายเป็นเครื่องรู้ของกิตเป็นเครื่องระลึกของสติ สติของเราลู่ทันความพุ่งซ่านของจิตเมื่อเรายังไม่สามารถลู่เท่าทันความพุ้งซ่านของจิตอความพุ่งซ่านของจิตนั้นมันจะทําให้เราเกิดทุกข์เกิดเสืเ่ร้อนเกิดความไม่สงบ แต่เมื่อเราลู่เท่าทันแล้วความคิดมันก็ยังจะคิดอยู่ยิ่งมากกว่าที่เราคิดอยู่เดี๋ยวนี้อีกแต่เพราะอาศัยสติลู่เท่าทันความคิดนั้นมันจึงกลายเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติหราะความว่าสติจะรู้เท่าทันอารมณ์ของเรื่องมันหรือใช่ เมื่อมันโู่เข้าทันแล้วมันก็ไม่เกิดทุกข์เพราะความคิดสันนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าการทํำสมาธิจะระงับคามทุกข์ไดมันระงับได้แต่เพียงขั้นต้นเช่นเราเราบริกรรมภาวนาพทุพโทพโธพโทุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพาจิตมันมันจิตพุโทโธเราสงบกลงไปนิ่งสว่าง แล้วก็สงบนิ่งนิ่งนนิ่งนิ่งลงไปเรวยอยจงเป็นอัปปนาสมาธิอันนี้มันระงับความคุ้มข้ามได้และระงับความคิดเือตัดความคิดได้เกิดไม่คิดละเมื่อจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิในขันนี้ทีนี้เกิดไม่คิดด้วยแล้วก็จิตมีความสงบด้วย จิตมีความสบายด้วยซึ่งเราเรียกว่าความสุขทีนี้เมื่อเราทำสมาธิดีแล้วจก็ตั้งว่าสมาธิเป็นฐานที่เกิดแห่งปัญญาตอนนี้จิตของเราเมื่อสงบลงไปแล้วมันจะเกิดความคิดขึ้นมาแต่เมื่อมันความคิดนี่มันเกิดขึ้นมาแล้ว มันเป็นความคิดที่จิตของเรามีสติสัมปชัญญะสิมันจึงรู้เท่าทันความคิดอันนั้นความคิดอันนั้นจึงกลายเป็นปัญญาของจิตเจตอาศัยปัญญาคือความคิดนั้นเป็นเครื่องรู้สติก็มีสิ่งนั้นเป็นเครื่องระลึกเพราะมันตามทันกัน แล้วจิตของเรามันจะสงบอยู่ในลักษณะที่มีความคิดแต่ไม่เกิดความเกิดซ้อนก่อความคิดอันนั้นนี่ตอนนี้สมาธิเราใช้บานได้แล้วตอนนี้เพียงแต่นิ่งอยู่ไม่มีความคิดนี่ยังใช้การไม่ได้เมื่อเรามีสติดีแล้วนี่จิตมันมีความคิดหรือมีอารมณ์อะไรเข้ามาในจิตต้องรู้ รู้แล้วมันเฉยอยู่นั่นคือความสงบของมันสมาธิอันนี้มันใช้ในการงานได้อย่างสบายแต่สมาธินี่มันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยสมาธิที่เราฝึกอยู่เดี่ยวนี้เนะี่ยฝึก้ามันจน ท, นทนานี้ทํานานจนมันเต็มกันจริงๆแล้วมันจะอยู่ในความสงบเรื่อยไปมันสงบอะไรละ่ะ สงบความยินดีสงบความยินไล่สงบความตื่นสงบความสะดุง้งต่ออารมณ์นั้นเองแต่อารมณ์นี่เราลู่เราเห็นมันผั่นเข้ามามายอยู่เลยหลับตาอยู่มันก็มีอารมณ์คือความคิดเกี่ยวกวับธรรมบาหุแต่มันก็ไม่ได้ตื่นไม่ได้สะดุง้งไม่ได้ไวันไหวต่ออารมณ์นั้นนัน่นนี่ความสงบในขั้นนี้ ในจัวเป็นควาสมสงบที่ใช้การได้เป็นควาสมสงบกิเลตแต่ไม่สมบอารมณ์มันพูดยา ก, ยากหน่อยนะตอนนี้ในเมื่อถึงแล้วถึงจะ ง, ง่ายที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เราสิ้นคิด ปัจิุบันถ้ามันมีความคิดมากมากถ้ามันคิดมากจนเรามีส ต, ติสัมปชัญญะดีจนความคิดประทุทลายจิตของเราไม่ได้จิตเป็นผู้คิดเองแต่ว่าความคิดอันนั้นไม่สามารถที่จะเป็นเหตุให้จิตประทุทลายตัวเองได้ ความหมดกิเลสไม่ใช่มไม่ใช่ความหมดแล้วไม่ใช่ความหมดความคิดหรือความสิ้นคิดเพราะฉะนั้นท่านจริงว่าความที่ถิดว่างไม่มีความคิดไม่มีความรู้ท่านเจิงสือว่าเป็นวิปัสสุปฏิตพอจิต ว, ว่างเราปลูกปฏิบัติแั้วจิตเราว่างแล้วเราไม่มี เราไม่มีความคิดนี่ในเม่าไม่มีความคิดมันก็ไม่มีกิเลสนี่มันหมดแล้วนี่ต้องเด็ดทิพย์ความแล้ว น, นี่มันเข้าใจคิดแต่อย่างนั้นเต่เราปฏิบัตินี่ความคิดเรามีอยู่ตอเมันเลื่อนเราอยู่กับคพื่อนข้าวขอดเหยียบเนี่ยตัวของเรานี่เป็นเป็นคนคนหนึ่งสหอาดามไม่ข้างหลายแล้วตองเราเนีงง่ยเรียบเหมือนอารมณ์ เราอยู่ด้วยกันเพศสูงด้วยกันเราอยู่ด้วยกันในในลักษณะอย่างใดก็ตามเราก็รู้สึกว่าเฉยเฉยเฉยเแม้จะเข้าในที่รับสองต่อสองเราก็รู้สึกเฉยเฉยเฉยเยเพราะว่าเราเป็นผู้ชายด้วยกันแต่ถ้าหากว่าคนหนึ่งเป็นเพศหญิงคนหนึ่งเป็นเพศชายแล้วเข้าไปในที่รับของรับตาแล้วมันรับจะมีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละคือความผูกพันตอง อย่างดีมันก็รับอย่างดีมันก็เปลนสองอย่างความรับความเปียนคือความปุุงสัน่นเอาความชอบไม่ชอบคือความปุุงสัน่นแต่ถ้ามันอยู่ปกติช้ช้ํามันรับรุกอู่มันไม่ได้ปรุงสันส่นสังเกตเอาง่ายๆอย่างนี้แล้วทีนี่ เรามาปฏิบัตินี้เราต้องการอยากจะรู้ของจริงเี้เรารู้ของจริงไปทำไมเพื่อให้เจตของเรามันยอมรับสภาพความเป็นจริงขอให้เรามาพิจารณาดูความจริงในขั้นศีลนห้าข้อนี้ก่อน เราจะดูความจริงของศีลห้าข้อนี้อย่างไรเราสามารถพิสูจน์กันได้เช่นศีลห้าข้อนี้ข้อหนึ่งห้ามฆ่าข้อสองห้ามลักข้อสามห้ามละเมิดสิทธิของกันและกันข้อสามข้อสี่ห้ามโหกข้อห้าห้ามดื่มของเหาวทีนี้เรามาพิสูจน์ ความจริงในสิ่งห้าอย่างนี้ที่สู้ต่อกันอย่างง่ายๆอย่างขั้นหยาบๆคนเรามีอาวุธอยู่ในตัวนี่พรอ้อมมือก็ใช้เป็นอาวุธได้สายตาก็ใช้เป็นอาวุธได้ปากก็ใช้เป็นอาวุธได้แขนขาใช้เป็นอาวุธได้ผมมาจากมือเป็นอาวุธเนี่ย เรากําเงื้อเปนอย่างนี้ไอทุกสีสามใครเขาต้คงนหนึ่งคนที่ถูกทุกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรทั้งๆ ท, ที่อยู่ดีๆแล้วนะมาทุกขระบาลันนี่ว่าพอถูกทุกปุ๊บลงไปคนถูกทุกตัวก็กรามหมัดขึ้นมางเงื้อทันทีทุกตาผีกนี่คือความจริง เรามาพิสูจนความจริงกับ น, นั้นนี้ทีนี้ในเมื่อเราเรารู้ว่าในเมื่อเราไปทุกข์เ ข, ขากรดเขาโกรธแล้วเขามาทุกข์เราตอบมันเป็นความจริงเพราะการทําอย่างนี้มันเป็นการก่อกรรมก่อเวรซึกกันและกันทําให้ฝ่ายที่ถูกทำร้ายต้องเกียดแค้นแล้วก็เขาจะบาดตาข่าย เมื่อเป็นเช่นนั้นเขาต้องทาตอบทีนี้ในฐานะที่เราทําตอบต้องทําก่อ น, อนเมื่อก็าําตอบเราแล้ ว, ลวเราก็ไม่ยอมปล่อยกอดเราก็ต่อต่อคนไปโต้ต่อคนมาต้่อต่อคนไปต่อต่อคนมาจนกว่าทางฝ่ายต่างจะท่อนกําลังลงหรือแค่ไปฝ่ายใดฝ่ายก็งจะยอมกันไปอีกแต่เมื่อยอมลงไปแล้วยอมก็ะพราะ กำลังเราสู้เขาไม่ได้แต่ในใจนี่มันไม่ยอมนี่คือความจริงในขั้นต้นๆที่เราจะยอมรับอาทินาทานไปหยิบของท่านที่ท่านหผล่เห็นเมื่อท่านรู้ว่าเราหยิบข้านโกรธไัมท่านเสียดายไหมพยายามติมว่าเขามาหยิบของเราอ่ะ เราก็ไม่พอใจเพราะเราหวงของเราเสียดายของเรานี่คือความจริงที่มันจะเกิดขึ้นเรากาหนดตัวความรู้สึกของเราแม่ข้าอื่นๆก็อสำคัญในเมื่อเรารู้ความจริงดังที่กล่าวนั้นแล้วเราพยายามทำติดให้ยอมรับสภาพความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนถือว่าเรามีสิทธิ์มีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของ ผู้มีกายก็เป็นเจ้าของกายผู้มีทรัพย์เป็นเจ้าของทรัพย์ผู้มีลูกมีเมียเป็นเจ้าของลูกเจ้าของเมียในเมื่อเป็นเช่นนั้นต่างคนต่างห่วงเห็นเราลูบความจริงขึ้นมาสันตีว่าต่างคนต่างห่งเห็นต่างคนต่างเสียใจต่างคนต่างรักของใครของเราอันนี้คือความจริงในเมื่อเราลูบความจริงอย่างนี้แล้วเราก็สอนตัวเองว่าเรารักสิ่งของของเราเราห่วงสิ่งของของเรา เราหวงชีวิตร่างกายของเราเรารับชีวิตร่างกายของเราเราจริงไม่ควรไปเบียดเบียนคนอื่นนี่ยมันก็ได้เหตุผลขึ้นมาพันจีถ้าเราคิดพงโ o ราณสอนกันให้สมทานศีลห้าข้อใครสมทานแล้วได้บุญตามไม่่าสัตว์มีอานิสงส์จะทำให้อายุยืน ทำให้มีโรคไข้ไข้เจ็บน้อยไม่รักไม่ขโมยมีอานิสงส์เกิดมาชาตใจพวกใจจะเป็นผู้มั่งมีสีสุขไม่มีคนรักคนขโมยของเราอาเมตุมิสาการตัดไปหลวงระเบิดลงไปแล้วทำให้อายุน้อยทำให้อายุสัน้นทำให้ อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าใครไม่ทำแล้วเกิดมาธาตุใจจะได้เป็นคณอุรมสมบูรณ์มีหลุกต่างผิวพรรณนหน้าสดสวยงดงามป้ายกันไป อ, อย่างนั้นอันนั้นจะจริงหรือไม่จริงเราก็ยังไม่รู้เราเอาเหตุผลกันในปัจจุบันนี่ดีกว่าการศึกษาธรรมะอย่างทวกท่านทั้งหลายกำลังเป็นนักศึกษาอยู่ในรับกาลังที่จะเป็น ปัญญาสนถ้าท่านยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วที่เกิดไม่เอาไหนในการเรียนสําเร็จไหมที่ผ่านๆมาเราสำเร็จผ่านขั้นต่ำๆ ม, มาจนถึงขั้นนี้เพราะอะไรเพราะเรามีความหมั่นความประจัญจริงไหมนี่คือความจริงที่เราจะต้องยอมรับทีนี้ในขั้นต่อไปเราจะสําเร็จขั้นสูงๆขึนน้นไปเราจะต้องอาศัยอะไร อาศัยความหมั่นความขยันจริงไหมจริงเราต้องยอมรับและไม่อยอมรับเรื่องมั่นขยันมันก็สำเร็จผลในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มนุษย์เราจะทำไม่ได้มนุษย์เรานี่เก่งกว่าใครทั้งหมดมนุษย์สร้างกูรยยิ่งใหญ่มนุษย์สร้างพระพุทธเจ้ามนุษย์สร้างพระพรมนุษย์สร้างพระอินทร์มนุษย์สร้างเทวดา ถ้ามนุษย์เราเนสวดมนตภาวนาตามติให้มีสมาธิมีสถิปัญญาเชทวดาพระอินทร์พระมมาบ่ายมนะั้งทีนี้มนุษย์สั่งเขาก็เสียจ้าได้อย่างไรสัดายศิทษาก็เป็นมนุษย์แตแตกต่างกว่าเราก็โดยชาติโดยสกุลแต่เสมอการด้วยความมีกายมีใจเหมือนกับเรา แต่ท่านสร้างความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ท่านอัญญาโกลทัญญาวัปปะพัทธิยะมหานามะอัจสชิท่านฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามก็สามารถสร้างความเป็นพระอระหันต์ขึ้นมาได้นับภาวนาทั้งหลายเมื่อทำจิตให้สงบเป็นสมาธิมีเพจีใมีความสุข มีความสงบซึ่งเรียกว่าเอะรักพระตามีอุเบกขาความวางเฉยของจิตนด้บรรลุทางพันนี้จนทานี้ทำงานตายไปแล้วเกิดเป็นพระพรนี่มนุษย์สร้างพระพรมขึ้นมาแล้วทีนี้มนุษย์ที่มีคุณธรรมก็มีอิริโตตะกะ มีความละอายต่อบาปมีความกะดุ้งกลัวต่อบาปไม่ทำบาปตั้งในสิรลับใ น, ในที่จะนะ่ามีคุณธรรมันนี่ประจำใจอยู่ตลอดการมนุษย์นั่นตายไปแล้วเกิดเป็นเทวดามนุษย์สร้างเทวดาทุกมาแล้ว น, นี้มนุษย์ได้อุปถาปิดามารดาของตนเสี้ยงดูปิดามารดาให้ดีมีความเคารพบ น, บนอบๆผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลมีหินทร์มีศรีมีศิลป์มนุษย์นั้นตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัอินทอันนี้คือคุณลักษณะของปากเป็นสัอินร์เพราะฉะนั้นพระเจ้ากด็ดีพระพุทธเจ้ากด็ดีผู้ยิ่งใหญ่ที่เขาว่า อยู่พวงสวรรค์ใดๆก็ดีล้วดจะสำเร็จไปจากมนุษย์นี้ทั้งนั้นส่วนโลกคือแผ่นดินที่เราอาศัยในี่ใครจะสร้างไม่สร้างเราไม่คํานึงถึงทั้งนั้นแหละมนุษย์นี่ใครจะสร้างหรือไม่สร้างเราไม่คํานึงถึงทั้งนั้นแหละเราเอาเั็นว่าพ่อกับแม่เราก็แล้วกันสร้างเรามาในโลกนี้มันจะส่วนมันจะเจริญเพราะเราเรื่อ่เาเป็นผู้สร้าง มันจะเริมพราะเราเป็นผู้สร้างสรรค์มันจะสื่อมเพราะเราเป็นผู้ทำลายป่าไม้มันจะลากพนาสนลงไปก็เพราะเราแหละเป็นผู้ทำลายมันป่าไม้ฝูนแผ่นดินมันจะลกลาไปด้วยป่าไม้เพราะเราแหะเป็นผู้ปลุกผู้ฝังมันขึ้นฝืนแผ่นดินอันนี้มันจะเกิดประโยชน์เก็เพราะเราแหละเป็นผู้สร้างผู้สร้างเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่หลยเป็นผู้ทําให้โลกเจริญมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ทําให้โลกเสื่อม เรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมาตามตำรับตำราตามคำพิอันนั้นฟังไว้เพื่อประดับความรู้แล้วก็พิสูจน์ตามเรื่องราวอันนั้นจนกว่าเราจะรู้ข้อเท็จจริงเพราะว่าพระเป็นเจ้าสร้างมนุษย์พระเป็นเจ้าสร้างโลกก็ให้เขาว่าไปที่แน่ๆที่สุดก็คือเรานนั่เป็นผู้สร้างเราเป็นผู้สร้างโลกหากเจ้าเป็นผู้สร้างเรามนุษย์เ็ผู้พิพเศษเป็นผู้สร้างเรา ทำไมถึงสร้างมาให้เราลำบากลกนะ้ำทำไมไม่ไม่สร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีกล้ามเนว่าเป็น ม, มัดมัดไม่ต้องกินไม่ต้องทายแต่มันโดนได้คิดได้ทำอะไรได้ไม่ต้องกินไม่ต้องถายไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแหละแต่มันกินอยู่ตลอดเวลาร่างกายก็สมบูรณ์ู่ตลอดเวลาที่นี้พระเป็นเจ้านี่ถึงแม้ว่าจะสร้างมนุษย์ได้แต่สร้างมนุษย์ไม่ดี มนุษย์ให้มาจุกเกีกุ้นบว้สร้างมาให้เปียนเปลี่ยนกันเกยดฆ่ากันทําไมไม่สร้างกิตสร้างใจมนุษย์ให้มนันรักกันนับถือกันเมตตาก็โลนะต่อกันทําดีต่อกันตลอดไปนี้ทางออกของพระเป็นเจ้าก็สุบาพว่ามนุษย์เองเป็นผู้ผิดบาปเมื่อมนุษย์เป็นผู้ผิดบาปได้อยู่มนุษย์ก็เป็นผู้สร้างบาสร้างคุญเอาตัวเอง สรางความเจริญความส่วนเอาตัวเองถ้าเป็นเจ้าเลยไม่มีนาที่สามมนุษย์ว่าเป็นเจ้าเลยกลายเป็นเขาจะเป็นเจ้าโตถลกรวมเอากันไว้อย่างนี้ดีกว่าทีนี้ทางศาสนานพิเศษนี่เขากาลังดัดแปลงตำตรีของเขาผู้ดีสร้างเจรวญสร้างพระละมารโอสาเร็จสร้างเรียวเทียสเร็จขึ้นมา เขาไม่ได้มนุษย์ผูกฐานะเขาเขาไม่ได้ว่ามนุษย์อ่าผู้ที่สร้างจักรวาสร้างนรืเกลียสร้างพลังงานรู้สร้างอะไรขึ้นมาแม้แต่นาฬิกาสร้อยคอทั้งๆที่เรามองเห็นมันตย์ติดจับทําด้วยตัวเขาตัวเองแค่แค่แค่สี่อย่างนี้แต่มขาเขียนคำพีนีจก็ว่าเขาเป็นเจ้าเป็นผู้สร้างเขาเป็นผู้เขาเป็นเจ้าเป็นผู้สร้างอ่าอะไรมนุษย์เป็นผู้สร้างเองจะได หมู่บ้านหนึ่อง็มาอํานสีหมอสอนศาสนาล้วมาเ่้กระผมอยู่สี่ชั่วโมงพวกคนไม่แอบไปฟังเลยไนมะ่ได้สนับโต้กันได้โต้กันมาเอาผมก็เลยหาอุบายทีใหญ่หมอทำสมาธิเออถ้าหากว่าคนทำาแบบนี้จะดีนะ คผม้องนั่งหักตาบริกรมรมภาวนาเรียกชื่อพระพุเจ้าทัานคนนี้ให้จิ ต, ตท่านคนสงบสว่างลงเป็นสมาธิคำว่าคนจะเป็นกําลังของาศาสนาพิเศษดีที่สุดเขาว่าไงพระบําบัดศาสนาพิเศษไม่นิยมการทําสมาธิเท่าท่ า, า, านั้นั้นคุณศึกษ า, าศาสนาพิเศษไม่จบคุณเคยอ่านประวัตดของเหล่าจักรพูดไหม อยากจะฟูตินเป็นคนรับสือสารศาสนาพิธีทำสมาธิเก่งจนไม่ทั่งไปสะกดกจิตพระเจ้าชาลพระเจ้าชาของประเทศรัเสเซียแล้วก็เป็นผัวหน้าของลาลยจนีรัสเซียจเชารัสเซียมันเกียรดขี้หน่ามันล้มล้างหลัจะบพลังเปลี่ยนบปลงปกครองแล้วทีนี้อะไรล่ะผู้นำของฝรั่งเทศสท่านหนึ่งนั่น เขาสามารถที่จะนอนหลับได้ภายในห้านาทีในเว่าเขาเหน็ดเหนื่อยในงานกลางเขาแล้วทีนี้เขาจะบอกว่าเดี๋ยวกาหนดจิตพักผ่นสักหานาทีเพราะกำหนดจิตพักนอนหลับได้ภายในห้านาทีถ้าหากเขาไม่มีสมาธิเก่งจริงแล้วเขาจะหลับได้ภายในห้านาทีอย่างไรคนน่าจะ ผลกลับล่านกลับไปศึกษาศาสนาของคุณใหม่ประกอมในศาสนาคล่คนนับถือศาสนาคเก่ทำสมาธิกันเั่านั้นแหละเพราะคุณไม่ทําสมาธิคุณพูดอะไรก็ท่านคุณชี้ใส่แต่คัมภีร์ของคุณที่คุณแบบมาศาสนาของคุณอยู่ในคัมภีร์ที่คุณแบบมานี่แต่ในใจของคุณไม่มีศาสนาคุณยังไม่สัมผัส คนที่ทำในศาสนาท่องคุณเลยว่าธรรมะของพระเป็นเจ้าสัมผัส ก, กับจิตท่องคุณนั่นมันเป็นอย่างไรพูดคำสองคาคุณก็อ้างประวัติศาสตร์คำสองคำคุณก็อ้างตาราตําราของเราก็มีที่อ้างมากกว่าตาราของคุณเสอีกท่องเรามี45เล่มเป็นภาษาบาลีและออกมาอย่างพิสดารมีอยู่ 80, 80เล่ม ขางคนมีเพียงเล่มเดียวเล่มเดียวแต่เราไม่เคยอ่าเราศึกษาศาสนาพุทธเรายอมรับเฉพาะสิ่งที่มันสัมผัสกับจิตของเราแล้วเราลู้จรๆๆิงเห็นจริงแม้จะเพียงเล็กนอกก้อยก็ตามถ้ามันตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างนี้เมื่อจิตสงบลงไปแล้วมันมีความสุขมียีติเราทาได้แล้วเราก็รู้สึกว่าคาสอนของพระพุทธเจ้าของเราเป็นความจริง เมื่อเราทำสมาธิดีนล้วสติปัญญามันเกิดขึ้นอย่างตนน้ำพุ่งขงึ้มาพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นม า, น, มานี่เราก็ผ่านมาแล้วพระพุทธเจ้าของเราว่าจากนั้นบางครั้งเราทําได้แล้วเรายอมรับว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าของเราเป็นความจริงอะไรที่พระองค์สอนว่าอย่านะอย่านะถ้าเกิดทำลงไปแล้วมันเป็นเพิ่ม ไอ้เมื่อเราพิสูจน์ทดลองดูแล้วเราเห็นความจริงที่รพระผู้เจ้าของเราว่าไว้เราก็ยอมรับว่ามันเป็นความจริงอันนี้คนอะไรก็ไปอ้างแต่ตำราอะไรก็อ้างแต่ตำราแม้ในศาสนาของเราก็เหมือนกันนักเรียนอนภะิธรรมของเรานี่อ้างแต่ตำราใครๆก็อ้างแต่ตำราอ้างแต่คมภีร์มาลงคนศุทัทธาต่างคนต่างมีตำราเป็นเครื่องอ้าง รู้มาคนละแง่รู้มาคนละหมุนทางตำราแต่ความรู้จริงภายในจิตไม่มีเสียงกันไปเสีย ง, ยงกันมาตดทเลาะกันนักอภิธรรมของเราที่เก่งๆในพระนครนี่โดยมีสำนักตั้งอยู่ที่วัดปูก็แต่พอกันแบ่งกันเป็นสามกลุ่มเดี๋ยวนี้เลยตั้งอยู่ที่วัดโพธิ์ุ่มหนึ่งอาจารย์แม่มหาเีรานนก็พาหมูยกขยงมาตั้งสำนักที่วัดววรรดี อีกพวกหนึ่งก็ย้องกลับไปถึงวัตถังโพสิตารังซึ่งเป็นแหล่งเกิดของอภิธรรมนี่พราะอะไรมันจึงเป็นอย่างนั้นว่าคนทั้งหลายเรานั้นรู้แต่เพียงตำลาแต่ไม่รู้จริงภายในจิตใจถ้าพูดถึงว่าหลักวิชาการ น, นี่คนไทยเรานี่เก่งเกงมากทีเดียววิทยาศาสตร์ก็เก่งเขียนตำลาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาพิมพ์ขายนี่จมฝรั่งเขาชมว่าคนไทยเก่ง แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าคนไทยเก่งวิทยาศาสตร์ทําอะไรขายก็ไม่ได้ขนาดวิทยุเครื่องเล็กๆยังอุตส่าห์สู้จากญี่ปุ่น ไ, น, น, น, นไม้จีงฟันก็ซื้อจากออสเตรเลียขนาดไม่จีบฟันก็ซื้จากออสเตรเลียทั้งๆที่ไม้ไล่อยู่ในบ้านเรานี่มียยเยอะแยะสมเจไปไม่มีปัญญาที่จะทําเพราะคนไทยเรามีแต่ความรู้แต่การทํามันทำไม่เป็ นี่มันมาเสียกันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นชั้นนับลองว่าคุณเก่งเจ้ทำพีศาสตร์หนาของคุณนี่เก่งเก่งยอดทีเดียถ้าหากว่าไม่ใช่พระขนาดชั้นเนี่ยจำนนกับวว่าพระของคุณอย่างแน่นอนแต่เนี่ยฉันพอรู้สึ ก, กว่าฉันได้ศึกษามาทุกด้านทุกมุมและศึกษามาด้วยจิตด้วยใจใจของชั้นเคยสัมผัสความจริงมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ฉันจึงมีปัญญาพอที่จะโต้ตอบคารุมต้นกลุ่มได้บ้าแต่อย่างธรรมดาธรรมดาตา่ตางกลต่างแบบกำลามาว่ากันแล้วฉันสู้คุณไม่ได้รับรองว่าฉันสู้คุณไม่ได้ ผมก็เลยบอกว่านักพิสูจศาสนาคาพิทเข้าสู่กันไปแค่สวรรค์ถ้าหากว่าพระเป็นเจ้าของคุณนั่นจะเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงก็วรู้จริงเห็นจริงเพียงแค่สวรรค์แล้วคุณกล่าวว่าในเหมือนล่องเก่งผู้นับถือพระผู้เป็นเจ้าได้วล่องเก่งดำลงไปในน้ำตูขึ้นมา แล้วก็ผู้ที่เป็นนักบวชทำมือเป็นแตะศีรษะผู้นั้นเป็นอันบาปต้นบาปเหลวไหลว่าวเหลวไหลตอนนั้นคนอินเดียก็ยังนับถืออยู่ว่าแม่น้ําในแม่น้ําคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ใครได้กินได้อาบแม่จุกทะลบบ่อน้ำศิษฐสะโพตาลาอาสโพทานสโพทาราม เขาพากันไปแย่งอาบ ก, กันถือว่าน้ำนี่มันไหลผ่านเมืองสวรรค์มาใครอาบแล้วไปตกนลกขึ้สนสวรรค์แขันก็ไปอาบ ก, กันเต็มแต่ในเมืองไทยนีย่เขาก็ยังถือว่าคนที่ไม่กินเนื้อกินหังเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีกิเลสพู้เรามีผู้พิเศษมาแต่งแตั้งเดิมแล้ววัวฝายมันไม่เคยกินเนื้อกินหนังสักที เราได้สราระที่ฝึ่งเมื่อก่อนคุณเองเราได้สราระที่ฝึงจริงๆเมื่อก่อนนี้ไฟมันไถนาบัว ม, มันเทียมปีนมาช่วยชีวิตเรามาแต่งตัวโบราณแล้วแต่มาเวลานี้วิทยาศาสตร์มันจเจริญสร้างรถสร้างราสร้างเรือบินขึ้นมาสร้างเรือรำลอยน้ําขึ้นมาเราก็เลยเป็นอันนแล้วคุณต่อโดยไฟทั้งหลายเราถือว่าเป็นสัตว์ไม่พิเศษก็ไถเหล็ก ฝ่หนึ่งมันก็เกิดขึ้นมาม้างฝ่ายกินหญ้ามก็เลยน้อยลงฝ่กินหญ้าเดี๋ยวนี้อย่างดีก็ ข, ขี้ให้เป็นปุ๋ยแล้วก็เนื้อหนังมันก็เป็นอาหารของมนุษย์เท่านั้นคุณค่าของมันเพราะงั้นคนไม่กินเนื้อกินหนังกินปัดอะไรพวกนี้เป็นผู้วิเศษวัวฝ่ายมันวิเศษมาก่อนคนพวกนี้แล้วเราจฉะนั้น เพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วไม่ยอมพิสูจน์ความจริงด้วยจิตใจมันจึงได้ถกเถียงกันให้เชื่อถึงอะไรก็ว่าสิ่งนั้นมันดีมันถูกต้องแต่ที่แน่ๆที่สุดก็คือว่าสิ่งใดที่เราสัมผัสโดยจิตสามารถแก้ไขปัญหาในจิตในใจของเราให้เราอยู่ได้สบายในสังคมอยู่โดยความสงบเยือกเย็นในสังคมได้ในขั้นตอนนี้เราก็นับว่าเราได้ดีได้ดี เราสามารถที่จะทำจิตของเราให้อยู่ในสภาพปกติกไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ได้ง่ายหรือจงกระทั่งทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดบรรลุคุณธรรมนสโซดาสกีทกาคาราคาอาหารได้ก็ยิ่งวิเศษตักงาต่สำหรับคันนีขอ ง, ของพอสมควรเล้ต้องต่อ